สศีลสูตรว่าด้วยศีลภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์และวิมุตติญาณทัศนะการเห็นภิกษุเหล่านั้นก็ดีการได้ยินภิกษุเหล่านั้นก็ดีการเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นก็ดีการเข้าไปนั่งใกล้ภิกษุเหล่านั้นก็ดีการระลึกถึงภิกษุเหล่านั้นก็ดีการบวชตามภิกษุเหล่านั้นก็ดี เรากล่าวว่ามีอุปการะมากข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลได้ฟังธรรมของภิกษุเห็นปานนั้นแล้วย่อมหลีกออกด้วยการหลีกออกสองอย่างคือหนึ่งหลีกออกทางกาย 2. หลีกออกทางจิตเขาหลีกออกไปอยู่อย่างนั้นย่อมระลึกตรึกถึงธรรมนั้นสมัยใดภิกษุหลีกออกไปอยู่อย่างนั้นย่อมระลึกตรึกถึงธรรมนั้นสมัยนั้น สติสัมโภชงเป็นอันภิกษุปรารบแล้วภิกษุชื่อว่าเจริญ ส, สติสัมโภชงสติสัมโภชงย่อมถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุภิกษุมีสติอยู่อย่างนั้นย่อมเลือกเฟ้นตรวจตราพินิษพิจรารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยใดภิกษุมีสติอยู่อย่างนั้นย่อมเลือกเฟ้นตรวจตราพินิษพิจรารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยนั้น ธรรมวิจยะสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารบแล้วภิกษุชื่อว่าเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงย่อมถึงความเจริญเต็มที่แกภิกษุความเพียรไม่ย่อหย่อนเป็นอันเธอผู้เลือกเฟ้นตรวจตราพินิพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารบแล้วสมัยใดความเพียรไม่ย่อหย่อนเป็นอันเธอผู้เลือกเฟ้นตรวจตรา พินิจพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารบแล้วสมัยนั้นวิริยะสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารบแล้วภิกษุชื่อว่าเจริญวิริยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงย่อมถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุปีติไม่มีอามิ t h ย่อมเกิดแก่เธอผู้ดได้ปรารบความเพียรสมัยใดปีติไม่มีอามิ t h ย่อมเกิดแก่ภิกษุผู้ดได้ปรารบความเพียร สมัยนั้นปิติสัมโพชงเป็นอันภิกษุปราบรแล้วภิกษุชื่อว่าเจริญปิติสัมโพชงปิติสัมโพชงย่อมถึงความเจริญเต็มที่แกภิกษุทั้งกายทั้งจิตของเธอผู้มีใจมีปิติย่อมสงบสมัยใดทั้งกายทั้งจิตของภิกษุผู้มีใจมีปิติย่อมสงบสมัยนั้นปสัสสติสัมโพชงเป็นอันภิกษุปราบแล้ว ภิกษุชื่อว่าเจริญปัสสิสัมโพชงปัสสิสัมโพชงย่อมถึงความเจริญเต็มที่แกภิกษุจิตของเธอผู้มีกายสงบมีสุขย่อมตั้งมั่นสมัยใดจิตของภิกษุผู้มีกายสงบมีสุขย่อมตั้งมั่นสมัยนั้นสมาธิสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุชื่อว่าเจริญสมาธิสัมโพชง สมาธิสมโพชงย่อมถึงความเจริญเต็มที่แกภิกษุเธอย่อมเพ่งดูจิตที่ตั้งมั่นอย่างนั้นด้วยดีสมัยใดภิกษุย่อมเพ่งดูจิตที่ตั้งมั่นอย่างนั้ น, น, นด้วยดีสมัยนั้นอุเบขาสามโพชงเป็นอันภิกษุปรารบแล้วภิกษุชื่อว่าเจริญอุเบขาสามโพชงอุเบขาสามโพชงย่อมถึงความเจริญเต็มที่แกภิสุ สงการเจริญโพชงพิกษุทั้งหลายเมื่อโพชงเจ็ประการที่พิกษุเจริญทําให้มากแล้วอย่างนี้พึงหวังพลานิสงเจ็ประการพลานิสงเจ็ประการอะไรบ้างคือ 1. จะได้บรรลุอรหัตผลทันทีในปัจจุบัน 2. หากในปัจจุบันยังไม่ได้บรรลุก็จะได้บรรลุในเวลาใกล้าตายส หากในปัจจุบันและในเวลาใกล้าตายยังไม่ได้บรรลุก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีเพราะโอรัมภคียสังโยชน์สังโยชนเบื้องต่ำหประการสิ้นไป 4. หากในปัจจุบันและในเวลาใกล้าตายยังไม่ได้บรรลุและไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหจจปรินิพพายี เพราะโอรัมภากิยสังโยชน้าประการสิ้นไป 5. หากในปัจจุบันและในเวลาใกล้ตายยังไม่ได้บรรลุไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีและไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจะปรินิพพายีก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อสังขาระปรินิพพายีเพราะโอรัมภากิยสังโยชน้าประการสิ้นไป 6. หากในปัจจุบันและในเวลาใกล้าตายยังไม่ได้บรรลุไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจะ ป, ปรินิพพายีและไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อสังขาระปรินิพพายีก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้สังขาระปรินิพพายีเพราะโอรัมภาขิยะสังโยชนประการสิ้นไปเจ หากในปัจจุบันและในเวลาใกล้ตายยังไม่ได้บรรลุไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจปรินิพพายีไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อสังคาระปรินิพพายีและไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้สังคาระปรินิพพายีก็จะได้เป็าานพระอนาคามีผู้อุทธางโสโตอกนิทัาามี พระโอรัมภคิยะสังโยดห้าประการสิ้นไปภิกษุทั้งหลายเมื่อพวอชงเจ็ประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้พึงหวังพลานิสงเจประการนี้ศีละสูตรที่สามจบ วัฏทะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยผ้าสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินิกะเศรษฐีเขตกรงสาวัตถีณนะที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลาย พ่ชงเจ็ประการนี้พ่ชงเจ็ประการอะไรบ้างคือ 1. สติสัมโพชง 2. องธรรมวิจยะสัมโพชง 3. วิริยะสัมโพชง 4. ปิติสัมโพชง 5. ปัสสติสัมโพชง 6. สมาธิสัมโพชง 7. อุเบคาสัมโพชงพ่ชงเจประการนี้ บรรดาพ่อชงเจ็ดประการนี้ผมประสงค์จะอยู่ด้วยพ่อชงข้อใดๆในเวลาเช้าก็อยู่ด้วยพ่อชงข้อนั้นๆประสงค์จะอยู่ด้วยพ่อชงข้อใดๆในเวลาเที่ยงก็อยู่ด้วยพ่อชงข้อนั้นๆประสงค์จะอยู่ด้วยพ่อชงข้อใดๆในเวลาเย็นก็อยู่ด้วยพ่อชงข้อนั้นๆถ้าสติสามพ่อชงของผมมีอยู่ผมก็รู้ชัดว่าสติสัมพ่อชงของผมไม่มีประมาณ ผมปรารบดีแล้วผมรู้ชัดสติสัมโพชงที่ดำรงอยู่ว่าดารงอยู่ถ้าแม้สติสัมโพสชงของผมเคลื่อนไปผมก็รู้ชัดว่าเคลื่อนไปเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยและถึงถ้าอุเบกขาสัมโพสชงของผมมีอยู่ผมก็รู้ชัดว่าอุเบกขาสัมโัสชงของผมไม่มีประมาณผมปรารบดีแล้ว ผมรู้ชัดอุเบขาสัมโูชงที่ดำรงอยู่ว่าดำรงอยู่ถ้าแม้อุเบขาสัมโูชงของผมเคลื่อนไปผมก็รู้ชัดว่าเคลื่อนไปเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยตู้เก็บผ้าของพระราชาหรือของมหาอมาตย์ของพระราชาบรรจุผ้าสีต่างๆพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาประสงค์จะนุ่งห่มผ้าคู่ใดๆในเวลาเช้า ก็นุ่งห่มผ้าคู่นั้นๆประสงค์จะนุ่งห่มผ้าคู่ใดๆในเวลาเที่ยงก็นุ่งห่มผ้าคู่นั้นๆประสงค์จะนุ่งห่มผ้าคู่ใดๆในเวลาเย็นก็นุ่งห่มผ้าคู่นั้นๆแม้ฉันใดบรรดาโพชงเจ็ดประการนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันผมประสงค์จะอยู่ด้วยโพชงข้อใดๆในเวลาเช้าก็อยู่ด้วยโพชงข้อนั้นๆประสงค์จะอยู่ด้วยโพชงข้อใดๆในเวลาเที่ยง ก็อยู่ด้วยพ่อชงข้อนั้นๆประสงค์จะอยู่ด้วยพ่อชงข้อใดๆในเวลาเย็นก็อยู่ด้วยพ่อชงข้อนั้นๆผู้มีอายุทั้งหลายถ้าสติสัมพโยชงของผมมีอยู่ผมก็รู้ชัดว่าสติสัมพโยชงของผมไม่มีประมาณผมปรารภดีแล้วผมรู้ชัดสติสัมพโยชงที่ดำรงอยู่ว่าดำรงอยู่ถ้าแม้สติสัมพโยชงของผมเคลื่อนไป ผมก็รู้ชัดว่าเคลื่อนไปเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยละถึงถ้าอุเบกขาสัมโพช o t h งของผมมีอยู่ผมก็รู้ชัดว่าอุเบกขาสัมพ ooth งของผมไม่มีประมาณผมปรารภดีแล้วผมรู้ชัดอุเบกขาสัมโพ ooth งที่ดำรงอยู่ว่าดำรงอยู่ถ้าแม้อุเบกขาสัมโพช o t h งของผมเคลื่อนไปผมก็รู้ชัดว่าเคลื่อนไปเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัย วัฏสูตรที่สจบ 5. ภิกขุสูตรว่าด้วยภิกษุทูลถามเรื่องโพชฌงเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าพชงพภช ง, ภชงด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระองค์จึงตรัสว่าพภชงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุที่เรียกว่าพชงเพราะเป็นไปเพื่อตรัสรู้ คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวก อ, อาศัยวิราคะ อ, อาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักะละถึง 7. เจริญอุเบกขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวก อ, อาศัยวิราคะ อ, อาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักะเมื่อเธอเจริญโพชฌงเจ็ประการ น, นี้อยู่จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภวสวะ และเอาวิชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิน้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุที่เรียกว่าโพ้ชงเพราะเป็นไปเพื่อตรัสรู้อย่างนี้แลภิกขุสูตรที่ห้าจบ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 ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระโคโดมเข้าพปเจ้าเที่ยวไปในอารามเข้าไปหาบริษัทเมื่อเข้าพปเจ้าบริโภคอาหารเช้าเสร็จแล้วในเวลาหลังอาหารเดินเที่ยวไปทางอารามสู่อารามทางอุทยานสู่อุทยานณที่นั้นเข้าพปเจ้าเห็นสมณะพรามพวกหนึ่งกาลังกล่าวคาถาซึ่งมีวิธีเปลืองวัะเป็นอนิสงส์และมีวิธีโตวัะเป็นอนิสงส์ ส่วนท่านพระโคโดมมีอะไรเป็นอนิสง์อยู่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากุณทลิยะตะถาคตมีวิชาและวิมุตเป็นพลานิสง์ท่านพระโคโดมทำเหล่าไหนที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วทําวิชาและวิมุติให้บริบูรณ์กุณทลิยะผู้ชงเจ็ดประการที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วทําวิชาและวิมุติให้บริบูรณ์ Hmm. ท่านพระโคดมอันหนึง่งทำเหล่าไหนที่บุคคลเจริญทำให e ้มากแล้วทำพ่อชงเจ็ดประการให้บริบูรณ์คุณทริยะสติปฐานสี่ประการที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วทำพ่อชงเจ็ประการให้บริบูรณ์ท่านพระโคดมอันหนึ่งทำเหล่าไหนที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วทำสติปฐานสี่ประการให้บริบูรณ์คุณทริยะ สุจริตสามประการที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วทำสติปฐานสประการให้บริบูรณ <ıldı> ์ท่านพระโคดมอันหนึ่งทำเหล่าไหนที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วทำสุจริตสามประการให้บริบูรณ์กุลธลิยะอินทรียสังวรที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วทำสุจริตสามประการให้บริบูรณ์ เสียสังวีนที่บุคคลเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำสุจริตสามประการให้บริบูรณ์คือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เห็นรูปที่น่าชอบใจทางตาแล้วไม่หลงไหลไม่เพลิดเพลินรูปที่น่าชอบใจไม่ให้เกิดความกำหนัดกายของเธอก็คงที่และจิตที่คงที่ในภายในก็มั่นคงดีหลุดพ้นดีแล้วอันหนึ่งเธอเห็นรูปที่ไม่น่าชอบใจทางตาแล้ว ก็ไม่เกอ้อเขินมีจิตไม่ติดอยู่ไม่เสียใจมีใจไม่พยาบาททั้งกายของเธอก็คงที่และจิตที่คงที่ในภายในก็มั่นคงดีหลุดพ้นดีแล้วอีกประการหนึ่งภิกษุฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐพะ ท, ทางกายรู้แจ้งธรรมรมที่น่าชอบใจทางใจแล้วไม่หลงไหลไม่เพลิเพลิน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 เพราะเหตุที่ภิกษุเห็นรูปทางตาแล้วมีกายคงที่และมีจิตที่คงที่ในภายในมั่นคงดีหลุดพ้นดีแล้วในรูปทั้งที่น่าชอบใจและไม่น่าชอบใจฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐพะ ท, ทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วมีกายคงที่และมีจิตที่คงที่ในภายในมั่นคงดี หลุดพ้นดีแล้วในธรรมที่น่าชอบใจและไม่น่าชอบใจอินเสียสังวรที่บุคคลเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำสุจริตสามประการให้บริบูรณ์ สุจริตสามประการนั้นที่บุคคลเจริญอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงทําสติปัฏฐานสประการให้บริบูรณ์คือภิกษุในธรรมวินัยนี้และกายทุจริตเจริญกายสุจริตและวจีทุจริตเจริญวจีสุจริตและมโนทุจริตเจริญมโนสุจริตสุจริตสามประการที่บุคคลเจริญอย่างนี้แลทําให้มากแล้วอย่างนี้ จึงทำให้สติปทาน4ประการให้บริบูรณ์สติปทาน4ประการที่บุคคลเจริญอย่างไรทำให้มากแล้อย่างไรจึงทำโพชฌง7ประการให้บริบูรณ์คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1.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 สติปทาน4ประการที่บุคคลเจริญอย่างนี้แหลททำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำพ่ชงเจประการให้บริบูรณ์พ่อชงเจประการที่บุคคลเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำวิชาและวิมุติให้บริบูรณ์ คือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวก อ, อาศัยวิราคะ อ, อาศัยนิโรตน้อมไปในโวสักคะละถึง7เจริญอุเบขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวก อ, อาศัยวิราคะ อ, อาศัยนิโรตน้อมไปในโวสักคะโพชงเจ็ประการที่บุคคลเจริญอย่างนี้แหลทําให้มากแล้วอย่างนี้ จึงทำวิชาและวิมุตให้บริบูรณ์<ไ>ม <ck in> เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วคุณทริยะปริภาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระพาสีของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนัก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 อุปมาด้วยกรอนของเรือนยอดภิกษุทั้งหลายกรอนของเรือนยอดทั้งหมดล้วนน้อมไปสู่ยอดโน้มไปสู่ยอดโอนไปสู่ยอดแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญโพชฌงเจประการทำโพชฌงเจประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุเมื่อเจริญโพชฌงเจประการ ทำผู้ชงเจ็ดประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโูชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสัก ข, ขะละถึง 7. เจริญอุเบกขาสัมโูชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสักะภิกษุทั้งหลายภิกษุเจริญโพชฌงเจตประการทำโพชฌงเจตประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แหลกูตาคารสูรที่เจ็ดจบ ปวานะสูตรว่าด้วยพระอุปวานะสมัยหนึ่งท่านพระอุปวานะและท่านพระสารีบุตรอยู่นครสิตารามเขตกรุงโคสัมพีครั้นในเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปหาท่านพระอุปวานะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่เรลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควร ได้ถามท่านพระอุปวานะดังนี้ว่าท่านอุปวานะเพราะมานาิการโดยแยบคลายเฉพาะตนภิกษุพึงรู้ไหมว่าโพชฌงเจตประการที่เราปรารภดีแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่ออยู่ผาสุกท่านพระอุปวานะตอบว่าท่านสารีบุตรเพราะมานาิการโดยแยบคายเฉพาะตนภิกษุพึงรู้ได้ว่าโพชฌงเจตประการที่เราปรารภดีแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่ออยู่ภาสุขท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าอาวุโสภิกษุปรารบสติสัมโพชงอยู่ย่อมรู้ชัดว่าจิตของเราหลุดพ้นดีแล้วทีนมิทะเราถอนได้แล้วอุทจจะกุกุจจะเรากำจัดได้แล้วความเพียรเราก็ปรารบแล้วเรามนัสิการอย่างจริงจังไม่ย่อย่อนและถึง ภิกษุปรารบอุเบขาสำโพชงอยู่ย่อมรู้ชัดว่าจิตของเราหลุดพ้นดีแล้วถีนมิทะเราถอนได้แล้วอุทจักกุกุจจะเรากําจัดได้แล้วความเพียรเราปรารบแล้วเรามนสิการอย่างจริงจังไม่ย่อหย่อนท่านพระอุปวานะกล่าวว่าท่านสารีบุตรเพราะมนสิการโดยแยบคายเฉพาะตนภิกษุพึงรู้ได้ว่า โคโงเจ็ดประการที่เราปรารภดีแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่ออยู่ผาสุขด้วยประการชนี้อุปวานสูตรที่8จบ 9. ปฐมมะอุปปั น, นสูตรว่าด้วย เหตุเกิดโพชงสูตรที่หนึ่งุิทั้งหลายโพยชงเจตประการนี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นเว้นความอุบัติขึ้นของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมไม่เกิดขึ้นโพชงเจตประการอะไรบ้างคือหนึ่งสติสัมโพชงละถึงเจอุเบคาสัมโพชง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 ย่อมไม่เกิดขึ้นทุติยอุป น, นัสสูที่10จบปรพัพตะวักที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. หิมวันตสูตร 2. กายสูตร 3. สีละสูตร 4. วัถสูตร 5. ภพิกุสูตร 6. คุณทริยะสูตร 7. อุตาคารสูตร 8. อุปวานะสูตร 9. ปฐมมอุปนนะสูตร 10. ทุติยอุปนนะสูตร พิลานวักหมวดว่าด้วยผู้อาพาธหนึ่งปานสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยสัตว์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์เราได้เหล่าหนึ่งสําเร็จอิรียาบทสคือบางคราวก็เดินบางคราวก็ยืนบางคราวก็นั่งบางคราวก็นอนสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดล้วนอาศัยแผ่นดินดํารงอยู่บนแผ่นดิน จึงสำเร็จอิริยาบถสีนี้แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันอาศัยศีล์ดำรงอยู่ในศีนแล้วเจริญโพ่อชงทมที่เป็นองค์แห่งการตัสรู้เจประการทำพ่ชงเจ็ประการให้มากภิกษุอาศัยศีล์ดำรงอยู่ในศีนแล้วเจริญโพชงเจประการทำพโพชงเจ็ประการให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่ง จเจริญสติสัมโูชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักคะละถึง 7. จเจริญอุเบกขาสัมโูชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักกะภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วจเจริญโพชงเจ็ประการทำโพชงเจ็ประการให้มากอย่างนี้แหล ปาณสูตรที่หนึ่งจบ 2. ปฐมมสุริยูปะมะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยดวงอาทิตย์สูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะอุทยัย ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตชั้นใดกาลยานามิตตาความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีก็เป็นตัวนำเป็นบุพนิมิตเพื่อความเกิดขึ้นแห่งโพชงเจ็ดประการฉั้นนั้นภิกษุผู้มีกาลยานามิตพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญโพ้ชงเจ็ดประการทำโู้ชงเจ็ดประการให้มากภิกษุผู้มีกาลยานมิตเจริญโพชงเจ็ดประการ ทำผูชงเจ็ดประการให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสำมโ้ชงอันอาศัยวิเวกและถึง 7. เจริญอุเบกขาสำโู้ชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสัก ข, ขะภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรจเจริญโูชงเจ็ดประการ ทำพ่ชงเจบประการให้มากอย่างนี้แลปฐมมะสุริยุปะมะสูตรที่สองจบ 3. ทุธุติยสุริยุปะมะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยดวงอาทิตย์สูตรที่สอง ภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิกําลังจะอุทยัยย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตชั้นใดโยนิโสมนัิการการมนัสการโดยแยกคายก็เป็นตัวนําเป็นบุพนิมิตเพื่อความเกิดขึ้นแห่งโภชงเจ็ดประการฉันนั้นภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญพ่ชงเจ็ดประการทําโอชงเจ็ดประการให้มาก ภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนัสการเจริญโูชงเจประการทำโูชงเจประการให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโูชงอันอาศัยวิเวกละถึง 7. เจริญอุเบกขาสัมโูชงอันอาศัยวิเวก อ, อาศัยวิราคะ อ, อาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักะภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยโยนิสมนาสิการเจริญโพชฌงเจตประการทำโพชฌงเจตประการให้มากอย่างนี้แลทุติยสุริยุปมาสูตรที่สจบ 4. ปฐมมะคิลานสูตร ว่าด้วยผู้อาพาธสูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเข่ครงราชครือสมัยนั้นท่านพระมหากัสปะอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักอยู่ที่ปิดผลิคูหาครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเรนเข้าไปหาท่านพระมหากัสปะถึงที่อยู่ ประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้แล้วได้ตรัสถามท่านพระมหากัสสปะดังนี้ว่ากัสสปะเธอยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือทุกขเวทนาทุเลาลงไม่กำเริบขึ้นหรืออาการทุเลาปรากฏอาการกำเริบไม่ปรากฏหรือท่านพระมหากัสสปะทูลตอบว่าข้าพระองค์ไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนามีแต่กำเริบหนักขึ้น ไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏพระพุทธเจ้าค่ะกัสปะโพชฌงเจตประการ น, นี้เรากล่าไว้ชอบแล้วที่บุคคลเจริญทาให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานโพชฌงเจบประการอะไรบ้างคือหนึ่งสติสัมโพชฌงเรากล่าวไว้ชอบแล้วที่บุคคลเจริญทาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานละถึง 7. อุเบกขาสัมโพชงเรากล่าวไว้ชอบแล้วที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานกัสปะโพชงเจ็ประการนี้แลเรากล่าวไว้ชอบแล้วที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพานข้าแต่พระผู้มีพระภาคโพ้ชงดีนักข้าแต่พระสุคตผูชงดีนักพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระสิทธิ์นี้แล้วท่านพระมหากระสปะก็มีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคหายข่าจากอาพาธนั้นและอาพาธนั้นอันท่านพระมหากระสปะละได้อย่างนั้นบทผมมัคิลานสูตรที่สี่จบ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 ท่านพระมหาโมคลานะอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักอยู่ที่ภูเขาคิจกูดครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเรนเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคลานะถึงที่อยู่ประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้แล้วได้ตรัสถามท่านพระมหาโมคลานะดังนี้ว่าโมคลานะเธอยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือ ทุกขเวทนาทุเราลงไม่กำเริบขึ้นหรืออาการทุเราปรากฏอาการกำเริบไม่ปรากฏหรือท่านพระมหาโมคลานะทูลตอบว่าข้าพระองค์ไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนามีแต่กำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเราไม่ปรากฏพระพุทธเจ้าค่าโมคลานะพ่อชงเจ็ดประการนี้เรากล่าวไว้ชอบแล้ว ที่บุคคลจเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง <ış> เพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานโพชงเจตประการอะไรบ้างคือ 1. สติสัมโู้ชงเรากล่าวไว้ชอบแล้วที่บุคคลเจริญทาให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานและถึง 7. อุเบกขาสัมโพ้ชงเรากล่าวไว้ชอบแล้ว ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานโมคลานะพ่ชงเจ็ดประการนี้เรากล่าวไว้ชอบแล้วที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานข้าแต่พระผู้มีพระภาคพ่ชงดีนักข้าแต่พระสุคตพ่ชงดีนัก พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษีนี้แล้วท่านพระมหาโมคลานะก็มีใจยินดีชื่นชมพระภาษตของพระผู้มีพระภาคหายขาจากอาพาธนั้นและอาพาธนั้นอันท่านพระมหาโมคลานะละได้อย่างนั้นทุติยคีลานสูที่ห้าจบ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 พระผู้มีพระภาคได้ตรัส ก, กับท่านพระมหาจุนทะดังนี้ว่าจุนทะเฉพาะเธอที่จะอธิบายโู้ชงให้แจ่มแจ้งท่านพระมหาจุนทะทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้ชงเจ็บประการนี้พระองค์ตรัสไว้ชอบแล้วที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานโพ้ชงเจ็บประการอะไรบ้างคือ 1> 1. สติสัมโพชงพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ชอบแล้วที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานละถึง 7. จอุเบกขาสัมโพชงพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ชอบแล้วที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โ่ชงเจตประการนี้พระผู้มีพระภาคตรัส้วยชอบแล้วที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานจุนทะพชงดีนักจุนทะพ่ชงดีนักท่านพระมหาจุนทะได้กล่าวคำนี้แล้วพระผู้มีพระภาคทรงชื่นชมพอพระไทยทรงหายขาดจากพระประชวนนั้นและพระประชวนนั้น อันพระผู้มีพระภาคทรงละได้อย่างนั้นตติยะขีลานสูตรที่หจบ